คุณค่าทางจริยธรรมกล่าวโดยสรุปคุณค่าที่ต้องการในทางจริยธรรมของหลักกรรมมีดังนี้หนึ่งให้เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผลรู้จักมองเห็นการกระทาและผลการกระทาตามแนวทางของเหตุปัจจัยไม่เชื่อสิ่งงมงายตื่นข่าวเช่นเรื่องแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นต้น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 และรับผิดชอบต่อผู้อื่นด้วยการกระทำความดีต่อเขา 4. ให้ถือว่าบุคคลมีสิทธิ์ด้วยธรรมชาติที่จะทำการต่างๆเพื่อแก้ไขปรับปรุงสร้างเสริมตนเองให้ดีขึ้นไปโดยเท่าเทียมกันสามารถทำตนให้เลวลงหรือให้ดีขึ้นให้ประเสริฐ จ, จนถึงยิ่งกว่าเทวดาและพรหมได้ทุกๆคน 5. ให้ถือว่าคุณธรรมความสามารถความประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องวัดความสามหรือประเสริฐของมนุษย์ไม่ให้มีการแบ่งแยกโดยชาติชั้นวรณนะ 6. ในแง่กรรมเก่าให้ถือเป็นบทเรียนและรู้จักพิจารณาเข้าใจตนเองตามเหตุผลไม่คอยเพ่งโทษแต่ผู้อื่น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 กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและปรานีตบุคคลวานพืชเช่นใดย่อมด้รับผลเช่นนั้นผู้ทำดีย่อมได้ดีผู้ทำชั่วย่อมได้ชั่วบุคคลทำกรรมใดแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ ย่อมเสพผลของกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีบุคคลทากรรมใดแล้วย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นแลททำไว้เป็นดีคนพาลมีปัญญาสามทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูยอมทำกรรมชั่วอันให้ผลเผ็ดร้อนบุคคลทากรรมใดแล้ว ย่อมเดือดร้อนภายหลังมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่สวยผลแห่งกรรมใดกรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยบุคคลทํากรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังสวยผลแห่งกรรมใดด้วยหัวใจช่มชื่นเบิกบานกรรมนั้นทําไว้เป็นดีบุคคลรู้กรรมใดว่าเป็นประโยชน์แก่ตน ควรรีบลงมือกระทํากรรมนั้นทีเดียวพุทธพจน์ว่าด้วยความเป็นคนมีเหตุผลไม่เชื่อถือ ง, งมงายเช่นคนพาลมีกรรมดำถึงจะเล่นไปยังแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือแม่น้ำพาหูกาท่าน้ำอธิกกกะท่าน้ำขยา แม่น้ำสุนทริกาแม่น้ำสรสวดีแม่น้ำปยาคา่ะและแม่น้ำพาหุมดีเป็นนิดก็บริสุทธิ์ไม่ได้แม่น้ำสุนทริกาทาน้ำปยาคะหรือแม่น้ำพาหูกาจะทำอะไรได้จากชํมระนรชนผู้มีเวรผู้ทำกรรมหยาบช้าผู้มีกรรมชั่วนั้นให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยแต่พักคุณนเริกคือเลิกดีเยี่ยม ย่อมสำเร็จทุกเมือ่อแก่บุคคลผู้บริสุทธิ์อุโบสถก็สำเร็จทุกเมือ่อแก่ผู้บริสุทธิ์วัดของบุคคลผู้หมดจดแล้วมีการงานสะอาดย่อมสำเร็จผลทุกเมือ่อดูก่อนพรามท่านจงอับตนในคำสอนของเรานี้เถิดจงสร้างความเกษมแก่สัตว์ทั้งปวงเถิดถ้าท่านไม่กล่าวเทศไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่ทำอธินาทานเป็นผู้มีศรัทธาหาความตรหนีมิได้ไสท่านจะต้องไปท่าน้ำขยาทำไมแม้น้ำดื่มของท่านก็เป็นแม่น้ำขยาแล้วถ้าแม้นบุคคลจะพ้นจากบาปกรรมได้เพราะการอาบน้ำคือการชำระบาปกบเตา่านากเจ้าระเขคและสัตว์เหล่าอื่นที่เที่ยวไปในแม่น้ำ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 อันเป็นดุดคู่กั้นเสียได้ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกประโยชน์ได้ล่วงเลยคนเขา่าผู้คอยนับเลิกอยู่ประโยชน์เป็นตัวเลิกของประโยชน์ดวงดาวจะทําอะไรได้บุคคลประพฤติ ช, ชอบเวลาใดเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นเลิกดีมงคลดีเป็นเช้าดีอรุณดีเป็นขณะดี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 พุทพจน์ว่าด้วยการลงมือทาไม่รอคอยความหวังจากการอ้อนวอนปรารถนาเช่นไม่ควรหวนรอห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพอ้อฝันสิ่งที่ยังไม่มาสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นก็ผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอน ไม่คลอนแคลนขอให้ผู้นั้นรันเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นๆเร่งทําความเพียนเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งเพราะว่าสําหรับพระยามัจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลย ผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสันตามุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐดูก่อนกะหาบดีธรรมะห้าประการนี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจ เป็นของได้ยากในโลกคืออายุวันนาะสุขยศสวรรค์ธรรมะห้าประการนี้เราไม่กล่าวว่าจะพึงได้มาเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาถ้าการได้ธรรมะทั้งห้านี้จะมีได้เพราะการอ้อนวอนหรือเพราะการตั้งปรารถนาแล้วไซร์ใคในโลกนี้จะพึงเสื่อมจากอะไร ดูก่อนข้าหบดีอริยาสาวกผู้ปรารถนาอายุยืนไม่พึงอ่อนวอนหรือมัวเพลิดเพลินกับอายุเพราะการอยากได้อายุนั่นเลยอริยาสาวกผู้ปรารถนาอายุพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่ออายุเพราะข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่ออายุที่ปฏิบัติแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อการได้อายุอริยาสาวกนั้น ย่อมเป็นผู้ได้อายุไม่ว่าจะเป็นของทิพย์หรือของมนุษย์ผู้ปรารถนาวันนะสุขยศสวรรค์ก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติที่จะเป็นไปเพื่อวันนะสุขยศสวรรค์ภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่หมั่นประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนาว่าขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะเถิดดังนี้จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะได้ก็หาไม่เหมือนไก่แปดฟองก็ตามสิบฟองส2บสองฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่นอนทับไม่กบไม่ฟักถึงแม้แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่าขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปาก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 ดูก่อนวาเสตถะท่านจงรู้อย่างนี้ว่าในหมู่มนุษย์ผู้ใดอาศัยโคกรกครกมเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นชาวนาไม่ใช่พรามผู้ใดเลี้ยงชีพด้ว ย, ยศิลปะต่างๆผู้นั้นเป็นศิลปินไม่ใช่พรามผู้ใดอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นพ่อค้าไม่ใช่พรามผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นผู้นั้นเป็นคนรับใช้ ไม่ใช่พรามผู้ใดอาศัยการลักทรัพย์เลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นโจรไม่ใช่พรามผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาไม่ใช่พรามเราไม่ได้เรียกคนเป็นพรามตามที่เกิดจากท้องมารดาผู้นั้นยังมีกิเลสเป็นแค่ศักวะโพวาทีคือธรมเนียมพรามเรียกทักทายคนอื่นว่าโพ เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสไม่มีความถือมั่นตั้งหากว่าเป็นพรามคำว่าพรามในที่นี้ล้อความกับความหมายว่าผู้ลอยบาปพ้นจากบาปอันนามและโคตที่กำหนดตั้งกันไวน้นี้เป็นศักว่าโวหารในโลกเพราะเกิดมีขึ้นตามคำเรียกขานที่กำหนดตั้งกันไว้ในกราวนั้นๆ ตามทิฏฐิอันนอนเนื่องอยู่ในหะไทยสิ้นกาลนานของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ก็พร่ำกล่าวว่าคนเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่บุคคลจะเป็นพราหม์เพราะชาติก็หาไม่จะไม่ใช่พรามเพราะชาติก็หาไม่จะชื่อว่าเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมคือการงานอาชีพที่ทำไม่ใช่พราหมณ์ก็เพราะกรรม เป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นศิลปินก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมเป็นโจรก็เพราะกรรมจนถึงเป็นราชาก็เพราะกรรมคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำแต่บางแห่งอย่างในที่นี้มีความหมายแบบประมวลมาถึงการงานที่อาศัยเลี้ยงชีพ บัณฑิต ท, ทั้งหลายผู้เห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมละวิบากย่อมเห็นกรรมนั้นแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าโลกเป็นไปด้วยกรรมหมูสัตว์เป็นไปด้วยกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกยึดกันไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักของรถที่กำลังแล่นไปเช่นนั้นดูกอนพราม เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าตำซามเพราะความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีวันนะใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าต่ำซามเพราะความเป็นผู้มีวันนะใหญ่โตก็หาไม่เราจะเรียกคนว่าประเสริฐเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากมายก็หาไม่ได้ เราจะเรียกคนว่าตามซามเพราะความเป็นผู้มีโภคะมากก็หาไม่ได้แท้จริงบุคคลบางคนแม้เกิดในตระกูลสูงก็ยังเป็นผู้ชอบเข็นฆ่าลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเป็นคนละโมบคิดเบียดเบียนเป็นมิจฉาทิฐิ บุคคลไม่เป็นคนถอยสามเพราะชาติไม่เป็นพรามเพราะชาติหรือกำเนิดแต่เป็นคนถอยสามเพราะกรรมเป็นพรามเพราะกรรมคือการกระทาความประพฤติวันนัดสีเหล่านี้คือกษัตริย์พรามแพทยสูตรออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสีย นับว่าเป็นสมณะสักยบุตรทั้งสิน้นบรรดาวันณะทั้งสี่นี้ผู้ใดเป็นภิกษุสิ้นกิเลสาสวะแล้วอยู่จบโรมจารย์แล้วทมกิจที่ตนจะต้องทำสำเร็จแล้วลงภาระลงได้แล้วลุกถึงประโยชน์ตนแล้วหมดเครื่องผูกมัดไว้ในภพแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบผู้นั้นแหละ เรียกได้ ว, ว่าเป็นผู้เลิศกว่าวันณะทั้งหมดนั้นพุตตพธน์ว่าโดยการพึ่งตนเองการเพียรพยายามเป็นหน้าที่ที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองตถาคตเป็นแต่ผู้บอกทาง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 พวกเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยกุทธพท์ว่าด้วยข้อเตือนใจเพื่ออนาคตหญิงชายเขาฤหัตบรรพชิต ควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่อาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะได้รับผลของกรรมนั้นถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่ว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 สั่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลก